เราไม่หนีทุกขแต่ต่างคนต่างอยู่วงเล็บเปิด13กันยายน2550จุดจุดนาทีห้าวงเล็บปิดจิตเหมือนมเมล็ดพันธุ์ของต้นไม้อย่างลงไปในพบภูมิใดก็สร้างรูปสร้างนามขึ้นมาได้อีกก็งอกงามขึ้นมาได้อีกไม่หายไปไม่หมดไปเราภาวนาไม่ใช่เพื่อจะดับจิตเฉยๆหรอกจิตมันเป็นทุกข์ดับมันไม่ได้ถ้าดับได้ตามใจจิตก็เป็นอัตตา แต่จิตเป็นอนัตตาดับมันไม่ได้ตามใจชอบถึงจะเข้าสมาบัติได้ก็ดับได้ชั่วครั้งชั่วคราวพอหมดกำลังของสมาธิก็เสื่อมถอยออกมาเกิดจิตที่รับรู้อารมณ์อีกทุกไปอีกทุกไปเรื่อยไปไม่พ้นพระพุทธเจ้าเลยไม่ได้สอนให้หนีเพราะหนีไม่ได้ไปไหนก็มีจิตไปด้วยท่านสอนให้รู้ลงไปรู้จนไม่ยึดถือถ้ารู้โดยไม่ยึดถือจะไม่ทุกข์ ที่ทุกอยู่ทุกวันนี้เพราะไปยึดถือไว้เราภาวนาจะหมดความยึดถือได้ก็ต้องเห็นความจริงว่ามีแต่ทุกข์ล้นล้วนจิตใจไม่ใช่ของดีไม่ใช่ของวิเศษพอเห็นเป็นทุกข์ล้นล้วนก็หมดความยึดถือคราวนี้มีอยู่ก็เหมือนไม่มีไม่ทุกร้อนเหมือนอย่างบางคนกลัวงูจริงๆใครๆก็กลัวนะไม่มีใครนิยมชม ช, มชอบเท่าไหร่น้อยรายจะชอบงูงูเข้ามาอยู่ใต้ถุนกุฏิไม่มีความสุขแต่ถ้ายอมรับได้ งูมันต้องอยู่ตรงนี้ต่างคนต่างอยู่มีงูก็เหมือนไม่มีเมื่อก่อนมีลูกงูเห่าตัวหนึ่งอยู่ใต้กุฏิแม่ชีนุษที่สวนโพอยู่จนยาวเป็นเม็ดๆเลยเขาเชื่องนะเชื่องไม่ทําร้ายซึ่งกันและกันแต่อย่าไปเหยียบนะต้องมีสติใจเรายอมรับกันได้ก็ไม่ทุกข์ใจเรายอมรับว่าขันห้ามันต้องมีอยู่กายนี้ต้องมีอยู่จิตนี้ต้องมีอยู่เราก็ไม่ทุกข์เท่าไหร่ ถ้าใจเรายอมรับไม่ว่าอะไรถ้าใจเรายอมรับได้ไม่เป็นปฏิปักษ์กับมันนี่จะอยู่ได้อย่างบางคนอยู่ในที่เสียงดังเสียงดังๆใจรํมคาญหงุดหงิดถ้าใจยอมรับได้อยู่ก็อยู่ไปใจก็ยอมรับได้ไม่หงุดหงิดหรือเราต้องทำงานกับคนที่เราไม่ชอบหน้าเราเกลียดคนนี้ที่สุดเลยถ้าวันไหนใจเรายอมรับได้มันต้องอยู่ด้วยกันมันก็ไม่ทุกข์เท่าไหร่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 พวกเราหลายๆคนเป็นร้อยๆแล้วเป็นพันแล้วที่ดูได้ร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งไม่กระทบกระทั่งกันคนละอันกันเวทนากับจิตก็คนละอันกันความสุขความทุกข์เกิดขึ้นก็ไม่กระทบกระทั่งเข้าถึงจิตอยู่ด้วยกันได้คล้ายๆว่ามันอยู่ด้วยกันโดยที่ไม่ก้าวไก่กันสังขารละขันเป็นความปรุงดีความปรุงชั่วความปรุงกลางๆเกิดขึ้นถ้าใจยอมรับได้ใจเป็นกลางอยู่กับมันได้ อย่างเราเห็นเลยความโกรธเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาจิตเป็นคนดูอยู่ความโกรธไม่ใช่จิตนะความโกรธไม่ใช่เราเห็นอย่างนี้ความโกรธอยู่ส่วนความโกรธสิจิตอยู่ส่วนจิตร่างกายอยู่ส่วนร่างกายเวทนาอยู่ส่วนเวทนาต่างคนต่างอยู่ต่อไปแล้วจิตจะอยู่อย่างไรจิตกับสิ่งอื่นต่างคนต่างอยู่ได้เหลือแต่จิตอันเดียวจิตจะต่างคนต่างอยู่กับจิตได้ไหม ไม่ได้จิตจะต่างคนต่างอยู่กับจิตไม่ได้เพราะมันเป็นตัวจิตเหมือนอย่างไฟมันร้อนจะให้มีคุณสมบัติไม่ร้อนไม่ได้มันอยู่ด้วยกันแต่ว่าไม่ยึดถือได้นะแต่กว่าจะไม่ยึดถือนี่ภาวนาสาหัสกันเลยนะแบบเอาชีวิตเข้าแลกเลยถึงจะทาได้ทำหย่อนแยะนะไม่ได้หรอกพอได้ว่าอันอื่นๆไม่ใช่จิตนะแล้วก็เห็นได้ว่าจิตไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่เราเห็นได้แต่ยังยึดอยู่ กว่าจะหมดความยึดจิตนี่ยากที่สุดเลยลำพังการเห็นว่าสิ่งทั้งหลายไม่ใช่ตัวเรานี่การเห็นว่าจิตไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่ยากที่สุดการไม่ยึดถือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี่การไม่ยึดถือจิตเป็นสิ่งที่ยากที่สุดเพราะจิตเป็นสิ่งที่รู้สึกเหนียวแน่นที่สุดว่าเป็นตัวเราการจะหมดความยึดถืออัตตาตัวตนนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายถึงจะเห็นว่าจิตไม่ใช่เราได้โสดาเป็นพระสกิทาคาพระอนาคาก็ยังยึดจิตอยู่ ต่อเมื่อใจเด็ดจริงๆนะเฝ้ารู้เฝ้าดูไปจริงๆแล้วเห็นว่าทุกข์ล้วนๆนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปต้องเห็นอย่างนี้จริงๆนะเห็นแล้วใจยอมรับได้อยู่กับทุกข์ได้ไหมนี่ถึงขนาดนี้นะอยู่กับทุกข์ได้ไหมถ้าอยู่กับทุกข์ได้ใจเป็นกลางต่อทุกข์คือใจเป็นกลางต่อขันใจเป็นกลางต่อจิตนั่นเองพอใจเป็นกลางแล้วทีนี้อยู่ด้วยกั น, น vents, ก็เหมือนไม่ได้อยู่ด้วยกัน มีก็เหมือนไม่มีมีไม่มีนี่เป็นธรรมะที่ล้าลึกหลวงปู่มั่นบอกมีไม่มีนี่เป็นธรรมที่ล้ำลึกธาตุขันก็มีอยู่นะแต่เหมือนไม่มีไม่มีน้ำหนักในจิตในใจเราแล้วก็ยังมีความไม่มีอีกคือนิพพานเพราะฉะนั้นคำว่ามีไม่มีนี่เป็นธรรมะที่ล้าลึกเพราะหลายชั้นหลายเชิงมีอยู่คือขันมีอยู่แต่ก็เหมือนไม่มีมีไม่มี แล้วก็มีความไม่มีอะไรเลยมีนิพพานหลายชั้นหลายเชิงนะธรรมะเราก็จะอยู่อย่างมีความสุขมีความสุขมากเลยธาตุขันแปรปวนแต่จิตใจก็ยังมีความสุขอยู่เพราะว่ามีก็เหมือนไม่มีเหมือนบางคนนะเทียบง่ายๆบางคนแต่งงานนานๆมีสามีก็เหมือนไม่มีนะมีภรรยาก็เหมือนไม่มีวันนี้แต่งตัวอย่างไรยังไม่รู้เลยลืมมองเหมือนเป็นโต๊ะตัวหนึ่งในบ้านเก้าอี้ตัวหนึ่งในบ้าน จริงๆพออยู่ไปนานๆมีก็เหมือนไม่มีอันนี้อย่างโลกโลกอย่างที่เป็นธรรมก็คือเห็นาธาตุเห็นขันมีเหมือนไม่มีอยู่ด้วยกันแต่ไม่กระทบกระทั่งกันต่างคนต่างอยู่ไม่ทุกข์ไม่ร้อนฝึกนะฝึกไปมีความสุขไม่รู้จะบอกอย่างไรสุขที่สุดเลยความสุขอย่างโลกโลกหลวงพ่อรู้จักนะก็เป็นชาวโลกมาตั้ง48ปปีถึงได้บวชความสุขในโลกเป็นอย่างไรก็รู้จักทั้งนั้นแหละอย่างที่โยมรู้จัก พอมาพบความสุขในธรรมะเทียบกันไม่ได้หรอกความสุขในโลกมันแกว่งขึ้นแกว่งลงมีได้ก็หายไปได้เกิดได้ก็ดับได้